มาตลีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิรยาบายอื่นอีกนายนิรยาบาลผู้โอสัตวนรกในนรกนั้นด้วยเชือกเหล็กลุกโพลงใหญ่คร่าตัวมาให้ลม้มลงบนแผ่นดินเหล็กลุกโพลงเที่ยวทุบตีด้วยอาวุธต่างๆพระเจ้าเนมิราชเมื่อจะตรัสถามมาตาลีเทพสารถีถึงเหตุนั้นจึงตรัสาถาว่า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 มาตลีเทศารธีทูนพยากรณ์พระดำรัตถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทาบาททั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่านี้เคยเป็นผู้ฆ่าแกะฆ่าสุกรฆ่าปลาครั้นฆ่าสัตว์ของเลี้ยงกระบือแพะแกะและวางไว้ในร้านขายเนื้อเป็นผู้มีกรรมหยากช้าทาบาปจึงถูกตัดเป็นชิ้นๆ น, นอนอยู่ บรรดาคาเหล่านั้นคำว่าผูกคอไว้คีวายะพันธาความว่าสัตว์นรกถูกนายนิรยบาลผูกคอด้วยเชือกเหล็กลูกโพลงใหญ่คร่าตัวมาให้ล้มลงบนแผ่นดินเหล็กทุบตีด้วยอาวุธต่างๆอันลูกโพรงพระเจ้าในมิราชท่อพระเนรเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นจึงตรัสถามคาว่าอีกพวกหนึ่งอันนายนิรยบาลตัดอัญญะ วิกันตาความว่าสัตว์นรกเหล่าอื่นถูกตัดเป็นชิ้นชิ้นคาว่าทําให้เป็นชิ้นชิ้นวิระกะตาความว่าสัตว์นรกเหล่าอื่นถูกนายนิรยาบาลวางไว้บนแผ่นเหล็กลุกโพลงเอามีดเชือดเนื้อสับเหมือนสับเนื้อที่เป็นก้อนก้อนนอนอยู่คําว่าฆ่าปลามัชชิกาได้แก่ฆ่าปลา คำว่าสัตว์ของเลี้ยงปะสุงได้แก่แม่โคคำว่าวางไว้ในร้านที่ขายเนื้อสูเนสุปสาระยิงสุความว่าวางไว้ในร้านค่าสัตว์ขายเนื้อเพื่อประโยชน์แก่การขายเนื้อเลี้ยงชีพมาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปแสดงนิระยาบายอื่นอีก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 เราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงมีมูดและคูดเป็นอาหารมาตาลีเทพสารถีทุลพยากรณพระดํารัตถามตาม ท, ที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดก็ทุกเบียดเบียนมิตรสหายเป็นต้นตั้งมั่นอยู่ในความเบียดเบียนผู้อื่นทุกเมื่อ สัตว์นรกเหล่านั้นมีกรรมหยาดช้าเป็นผานประทุสร้ายมิตรกระทำบาปจึงต้องกินมูดและคูดบรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าสัตว์นรกมีความหิวครอบงำก็กินคุถาปรเรตามนุชาอเทนติความว่าสัตว์นรกเหล่านี้อันความหิวถูกต้องไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงทำคูดเก่าซึ่งตั้งอยู่เป็นกับ เดือดพลานควันอบลุกโผงเป็นก้อนๆเคี้ยวกิน่นคําว่าก่อทุกข์การะนิกาได้แก่ก่อความลําบากคําว่าเบียดเบียนมิโรสิกาได้แก่ผู้เบียดเบียนแม้มิตรสหายเป็นต้นคําว่าประทุสร้ายมิตรมิดตัดทุกโนความว่าสัตว์เราใดเป็นพานเคี้ยวกิน่น คือบริโภคข้าวปลาอาหารในบ้านของคนนั้นๆ น, น, นั่งนอนบนอาจที่เขาปูลาดไว้ยังรับจ้างขโมยมาสกและกะหาปณะอีกสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้ประทุษร้ายมิตรเป็นผ่านจึงเคี้ยวกินก้อนคูดเห็นปานนี้พระเจ้าค่ามาตาลีเทพสารถีขับรถต่อไปในนรกอื่นๆสัตว์นรกเหล่านี้อันความหิวถูกต้อง ไม่อาจอดกลั้นความหิวได้จึงทำเลือดและหนองเป็นก้อนๆเคี้ยวกินพระเจ้าเนมิราชท่าพระเนรเห็นดังนั้นจึงตรัสคาถาว่าห้วงน้ำนี้เต็มด้วยเลือดและหนองมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาดเน่าฟุ้งไปสัตว์นรกถูกความร้อนแผดเผาแล้วย่อมดื่มเลือดและหนองกินความกลัวย่อมปรากฏแก่เราเพราะได้เห็นความเป็นไปนั้น แมทาลีเทพสารถีเราขอถามท่านสัตว์นรกเหล่านี้ได้ทําบาปอะไรไว้จึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารมทาลีเทพสารถีทูลถวายพยากร พ, ก ร, พระดํารัสถามตามที่ทราบวิบากแห่งสัตว์ผู้ทําบาปทั้งหลายแด่พระราชาผู้ไม่ทรงทราบว่าสัตว์นรกเหล่าใดเมื่อยังอยู่ในมนุษยยโลกฆ่ามารดาบิดาและพระอรหรันต ชื่อว่าต้องปาราชิกในเพศคฤหัตสัตว์นรกเหล่านั้นมีกรมหยาบช้าทำบาปจึงมีเลือดและหนองเป็นอาหารบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าถูกความร้อนแผดเผาคำมาพิตตาตาได้แก่ระถูกความร้อนเบียดเบียนคําว่าปาราชิกปาราชิกาความว่าเป็นผู้พ่าย คือข้ามารดาบิดาต้องปารชิกในความเป็นคฤหัสนั่นแลคําว่าพระอรหันต์อรหันเตได้แก่ผู้สมควรแก่บูชาพิเศษคําว่าข้าหนันติความว่าข้ามารดาบิดาผู้ทํากรรมที่ทําได้ยากอีกอย่างหนึ่งด้วยคําว่าพระอรหันต์ท่านสงเคราะห์แม้พุทธสาวกทั้งหลายเข้าด้วย มาตาลีเทพสารทีขับรถต่อไปนายนิรยบาลที่อุสุทธนรกอื่นอีกเอาเบ็ดเหล็กลุกโลงโตเท่าลำตาลเกี่ยวลิ้นสัตว์นรกร้ามาให้สัตว์นรกเหล่านั้นล้มลงบนแผ่นดินโลหะที่ลุกโรงให้นอนแผ่เอาขอเหล็กเกี่ยวขึงหนังดุดขึงหนังโคฉะนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นดิ้นรนเหมือนปลาดิ้นอยู่บนบก ไม่อาจทนทุกนั้นร้องไห้น้ำลายไหลพระเจ้าในมิราชเมื่อจะแสดงแก่มาตลีเทพสารถีนั้นได้ตรัสว่าท่านจงดูลิ้นของสัตว์นรกที่ถูกเกี่ยวด้วยเบ็ดและหนังที่ถูกถลกไปด้วยขอสัตว์นรกย่อมดิ้นรนเหมือนปลาที่โยนบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นร้องไห้น้ำลายไหลเพราะทำอะไร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 บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าสัตว์นรกเพราะกรรมอะไรกิเมเตได้แก่เพราะเหตุไรสัตว์นรกเหล่านั้นคําว่าจึงกลืนเบ็ดวังกะคัสตาได้แก่กลืนเบ็ดคําว่าอยู่ในตําแหน่งผู้ตีราคาฉันทานะคตาความว่าผู้ถึงตําแหน่งคือขอบเขต คือดำรงอยู่ในตําแหน่งตีราคาสินค้าคำว่าราคาจากมูลค่าอคเคนะอกคังความว่ารับราคาสินค้านั้นๆเป็นสินบนแล้วลดราคาวิญญาณกะทรั์และอวิญญาณกะทรับนั้นๆมีช้างมาเป็นต้นหรือเงินทองเป็นต้นคำว่าซื้อกะยังความว่า เมื่อลดราคานั้นนั้นย่อมลดราคาซื้อจากราคานั้นแก่ผู้ซื้อทั้งหลายเมื่อควรจะให้หนึ่งรก็ให้แค่ห0สิบเมื่อควรจะให้ห0บาทก็ให้แค่25ฝ่ายผู้ซื้อนอกนี้ก็แบ่งกับผู้ตีราคาเหล่านั้นถือเอาราคานั้นคําว่าทําการโกงด้วยตาช่างโกงกูเตนะกูตังได้แก่ การโกงนั้นนั้นมีโกงด้วยตาช่างเป็นต้นคำว่าเหตุโลภทรัพย์ธนโลภเหตุตุความว่ากระทำการโกงนั้นนั้นเพราะเหตุโลภทรัพย์ข้อว่าเหมือนคนหาปลาเอาเหยื่อปิดเบ็ดไว้ฉันนังยะเถาาราวิจรังวทายะความว่าก็สัตว์เหล่านั้นแม้เมื่อทาการงานนั้น ก็ปกปิดการโกงที่คนทําไว้อย่างนั้นด้วยวาจาอ่อนหวานคนเข้าไปใกล้ปลาที่ว่าอยู่ในน้ําเพื่อจะฆ่าก็เอาเหยื่อหุ้มเบ็ดฆ่าปลานั้นฉันใดการปกปิดทําการงานนั้นก็ฉันนั้นคําว่าสําหรับผู้ทําการโกงไม่มีเลยนะฮิกูตะการิษะความว่าด้วยว่า ชื่อว่าการป้องกันย่อมไม่มีแก่ผู้ที่ทำการโกงแม้สำคัญอยู่ว่ากรรมของเราที่ปกปิดไว้นั้นไม่มีใครรู้ข้อว่าถูกกรรมของตนห้อมล้อมแล้วจะเกหิกรรมเมหิปุรักขีตัดสะความว่าผู้นั้นอันกรรมของตนหุ้มห่อไว้ก็ไม่ได้ที่พึ่ง